นั่นได้ที่แล้วตัณฑ์สติตัสตินาฮอาณาปานสตินี้ก็แปลได้ชัดแจ้งแล้วะอานาเขาแปวาลปแปว่าลงให้เข้าปานี่ยเขาแปลว่าลงให้จะออกสติก็แปลว่าละลึกโนผู้ละลึกโนละลึกได้ เอาสตินี้มาและวลึกดูลงน้ำใจเขาออกก็เรียกว่าภาวนาภาวน า, าง่ายให้เห็นลงน้ำใจเขาออกเรือเอาลงน้ำใจเป็นเครื่องรู้ความติคือง่าย เป็นเครื่องระลึกของสติขอกสติมาระ ล, ลึกอยู่ล่มหายใจทุกอริยาบทยืนเดินนั่งนอนอริยาบทมันมีสอยา่างยืนก็มีสติรู้ ล, ลมยิงเลา่ารเดิน สต้ลมนี่เรานั่งกองมีสติรู้ลมนี่เรานอนก็มีสติรู้ลมนี่เราอยู่เราก็คือผู้รอยู่ในลมรู้ลมก็เห็นเราเห็นเราอยเาเรียกว่าภาวนาง่ายๆแค่นี้ก็ทาไปนี่ทิที่ที่องนี่ยัไ เป็นไมหมล่นะฮะไทยนี่โยบอยบ น, นี่จะเล่าติดไทยฟังออกไหมล่ะไทยอย่เงี้ยเอาสติดูร่มเห็นเล่าลมหายใจคือตัวของเราลมก็คือบินยานก็คือผู้รู้ มินญาณคือลมหายใจอย่ยกว่ามินญาณเห็นลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกพระพุทธองค์จัดว่าให้อริยบทเสมอการนั่นอริยบทเสมอการคนไปอ่านก็ตีความหมายไป มัตามกันบางองค์บทมีความหมายว่านั่นเท่ากันนอนเท่ากันยืนเท่ากันเดินเท่ากันอันนี้ก็ยังไม่ใช่คาว่าอริบทเสมอกัรนะไม่ใช่อริบทเสมอกันมันทําไม่ได้ ยืนเท่ากันนัง่งเท่ากันนอนเท่ากันเดินเท่ากันทำไม่ได้ไม่เสมอกันทํายากเลยนอนสองชั่วโมงเยืนสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงเท่ากันวันหนึ่งวันหนึ่ทมไม่ได้ที่้อไม้ไม่ออกคําว่าอะไรอดเสมอกันก็คือให้มีสติยื สติมีสติรู้มเหเราอยู่มันก็เส ม, มอกั น, นะเปนพระครูาอาจารย์บังองค์ตีความหมายคนง่ายนเขาก็นนะาลงแต่งละเอีดมาให้อันลเดเสมอการอันลียดเสมอการตหมายความว่า ยืนก็ให้มีสติรู้ลมเขา้าลมออกอย่างนัง้เดินก็ให้มีสติรู้ลมเป็นเรานั้น่งก็ให้มีสติรู้ลมไปเรื่อยนอนก็นนมีสตินี่แหละเดียว่าวเรียกปุสาน ทำอยู่อย่างนี้แหละเพื่อให้เป็นนิสัยจับอารให้ใหญ่เข้าก็รู้ว่าเข้าออกก็รู้ว่าเข้ายาวแต่รู้วิจารณิสตบทิจารณ์ว่าเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเขายาวออกยาวบ็รู้ชัดว่าออกยาว เข้ายาวความรู้สึกนึกคิดเป็นยังไงลมหายใจเข้ายาวเลื้อิเอ ต, ตวิจาร์ออกยาวเจ้สุดหมดลมความรู้สึกเ ป, ป็นยังไงดมหายใจหยดออกปลองปหมดอืมนี่ เวทเ้เรนาเรนาเอาลงยางละเอียดอสันเป็นยังไงออกสันวิจารณ์นี่แหละวิจัยเอาสตินี่แหละไปวิจัยวิจัยลมเข้าลมออกว่ามันยาวหรือมันสั้น มันสุขหรือมันทุกข์เวลาลมเขา่าสั่เข่ายาวเวลาลมหนักลมเบามันสุขหรือมันทุกข์นี่เ็นเบทนาขึ้นมาอันทีแรกวิจารดูเยนีวิิจาร ด, ารดูเอาไปมาจิตกระลมเสพกันอย่างนี้วิตัวิจารจิตเราสติเราไม่ไปไหนก็จะเกิด Yeah. เกิดปีติขึ้นมาสุขเอขึ้นจากอาขึ้นมาเมื่อวิโตวิจารอยู่จิตไม่วิมีเป็นไหนวิมีออกจากลมให้วัวสั้นว่วเบาูัวาจาบวัวละเอียดว่าสุขว่าทุกอนี่ลนะ ก็จะเกิดปีติสุเอปัจารุนี่พอจะได้ปฐมฌานปฐมฌานมีอารมณ์5 1. หนึ่งวิตก 2. สองวิจารสปีติสสุห้าเอปัจารุง่ายแค่นี้เลย เราไม่วิตกวิจารณ์เช่าวิจารณ์หรือวิจัยก็อันเดียวกันธรรมมธรรมะวิจัยวิจ sure> ัยธรรมวิจัยเรเข้าลราออกวิจารณ์วิจัยว่ามัน อยากว่ามันละเอียดว่ามันยาวหรือมันสั้นวิจัยอย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ที่ตกวิจารณ์อย่างนี้ถ้าลมยาวเป็ยังไลงลมสั้นเป็นยังไงสุขเวทนาเกิดทุกขเวทนาทกเกิดก็จะเห็นเมทนานในเวบงนาน ต่อไปมันรู้เขาลมบอกควาคิดมันเกิดขึ้นลมอยากลมละเอเย่เมื่อความคิดเกิดขึ้นมันมไม่เห็นใจิว่าไปไปเบิ่้อคิดแนไปแน้อคิดอ่าลมเ่าลบอก ความคิดลงยาลงละเอียดเกิดความคิดขึ้นนี่แหละพเห็นจิตในจิตนี่พอได้เีนนิพพานจต่จิตนี่ห็นใจในรหใจนี่จิตเห็นจิตในจิตก็เห็นจิตในใจของเรานี่ยความคิด เ, เห็นทำ ม, มันมีอะไรได้สติปัฏทาสี อนาปานสตินี่ใครจะเริยนแล้วยอมไทำสีอยา่างคือสติประทันศีเป็นกายเนกายกายมีกายคือกายล่มล่มให้ใจเขาเรีนว่าตายไม่เป็นว่าใายไม่เรียกว่าตายไม่นีเขาเ้าไปในกายนอก กายหยาบกายเน่ากายเห็นกายหยาบรู้จักมือของเราก็เปรียบเหมือนพ่อสูบเหล็กสูบทองของนายช่างตัวลมวิ่งเข้าวิ่งออกนี่นะเรียกว่ากายกายละเอียดวิ่งเข้าไปในกายหยา ยิ u, ่งเข้ายิ่งออกเลยเนี cradle: cradle: ่ยเห็นกายไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เห็นกาก็คือลูกอย่กาเอิบลูกก็เอิบลูกให้แน่ลูกให้แน่ลมให้ใจเพื่อกายใ่เือลูกให้แน่ เวทหน้าจิตขนหน้าเวทหน้านนาให้ใจแย้นเขาแย้ลเพ่อ่าว่าหลูกกำหน้าเรียกว่าขันหาหูกหน้าเพื่นเราเรียกว่าขันหาเพื่อนมาขันหา ขันหาแลมลงไปล้มสูงลงไปสูงลเข้าไปขันหาเกิดเนี่ยลมแลมออกมาขันหาตายเนี่ยขันหาเนี่ยเล่าเลาขันหาขันนี่ยเปนเอนสมุดไวเล่าลมหายใจขึ้รูป ตัวย่าขึ้นหน้ายินงขึ้นลูกย่าขึ้นหน้าลูกก้าหน้าเอาไปเกิดเนี่ยิ่งเข้าไปแลนเข้าไปนี่ตายเข้าไปเ่เกิดเท่านี้ไหมันหาเกิดล่มให้รจแลนมา ก, มากเรียกว่าขันหาตาย นักก่งก้นไปในโม่กอกแม่แบบทีมซากศพเอาไว้โซ่ผู้โซ่ขคาวอย่า่าตายพระพุทธ อ, องค์เนี่ยเอื่อน่าขานิกรหม้อลนะนขานิกรม้อลนะนคือตายเราตายเราเกิดเราตายชั่วขณะหนึ่งเนี่ย ชั่วขณะคิดหนึ่งเอ็นว่าคันนี้กะเมื่อนั้นเอ็นว่าตายแบบปกติปฏิชนะพราสาวบริตายแบบปกติว่ามันตายแบบเปิดเผยตายแบบเปิดเผยกับมไห้เยว่ันแรกโดนว่องอ่งอยตื่นงอนเองเละตายแบบเปิดเผ อันนี้ตายแบบผกพิษบล็อกนี่อ่าปัญหามันเกิดสิกใจเสื่อมเป็นสันติภาษาบาลีเว่าสันติสื่เนื่องกันยังเจอแล้วก็ตายพระพุทธเจ้าฟังห้องเขากระโดดลงเต็มบิ เบิ่งล้มเข่าล้มบกเบิงบ่งเล่าบงขันหันือเลีาา่ากเือขันเกิดแล้วกระายเกิดแล้วกระายย่นะยั่ลู่ยุ่งยั่เห็นเกิดเ็นตายยว่ายังเห้นู่ยุ่น เกิดอีกแล้วตายอีกแล้วเกิดตายตายก็ดับอันอยู่กันเลยเกิดแล้วไปดับเอาไปกัเรียกว่าเกิดเออมาเรียกว่าดับเท่าถึงเกิดถึงดับเลดูไปดูมา ลใหายใจจักลมเลือนสามัญรุนรกันสมดูรกันกลมเลือนบอลูนักว่าเขาว่าอกมันสิเป็นก่อนอย่กุ้มกมเลือนกันอบรลู้ว่าเขาว่าอกนิ่มละเอียดรุ่มไปบนไปรบนมาไปจากเกิด ปีทีสุขเอกระชากาุมมาเพรานั to, to, ้นง่ายๆก็นีเขาเรียกว่าเจโตมุตสิบลุดมนจากท่าไงแต่มมาเท่านเบิ่งไปว่าอย่างแนมไปแนมมื่อไหร่นั่่นล้มหาใจ นิ่มละเอียดลเบาลเอาแหล้ให้ใจจางค่ายหายไปแล้วก็ตายระงับตายเพื่อล้มให้ใจระงับก็คงเหลือแต่ควาลู่ลู่เกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นย่ามเห็นตัวผู้ลู่เออขึนูลู นี่ไงอ่านี่เขาเรียกว่าได้เจโตที่หมดคิดลึกคนจากล่มให้ใจคิดลึกคนจากกายงากายละเอียดคิดึกคนจากข้องคดในอดีตอนาคตอะไรเพื่อนรอเรียเเกเรืเว่าเจโตทหมดเจโตกขาเคยไว้ิดไหม ลิมุตแต่เรารูคนยิ้มแต่รูคนจากลู่จากน้ำลู่นึ่งน้าซียิ้แต่รูคนจากขั้นหาสัวขู่สั้วข้าวสั้วซ่านสะกดไหวสมาริทคมไหวเพื่งเนเอ็นบาริกขำพนาลิมุตทน ยึดคมพนะแต่ว่าสะกดสะก ด, กกสะกดได้หมดแปลวรุดยุ่ยรุดุ่เพราะชาตสะกดเลยสามารถที่คมคันหาไว้ก็ ม, นนไมีได้สมาัาได้สมัค ง่ายๆส่ก็จะเออยู่อารมสอนคืออุเบกขาทับเอทัคาตลอุเบกขาบ้าเฉยอุเบาปว่าเสยเสยคงชักเสยมเสยทับเสยแผู้เดียวเล้อ่าบ่ยินดีบ่ยินล ได้ยินเสียงนั่งเป็นมากอยยนดีโอ้เอสยขาเขาจิตก็มีนาที่รูรูรูเยอะจิตเื่อคนรู้ครู้รู้เชยยัไอยู่รู้รู้อซือรู้รูเ่ซือเสียงนั่งเกิดกันู้ว่าเสีนั่งเชซือ ไี่มีขาไม่เกิดกระโหลกวอันนั้นเฉยๆมันไปว่าไปนี้จบว่ไปนี้จังว่ไปนี้ดีว่าไปนี้หนัเพราะฉะ้นเกิดอุเบกขาอุเบกขาคนมาต่างคนมาพ่อ เ, เป็นการคือวันนี้นดีวันนี้นหลักหู่ดสเฉยๆก็เกิดว่ามัดชิ ม, มั มัตสิมาปฏิปทาออกปฏิบัติให้ถึงความเป็นกางอารมณ์ที่เป็นกางรูปหูรู้เสื้รูปเส ๆ, สๆเพื่อเกิดอารมณ์พันธะนั้นเขาไปเห็นพันธะเอ็าานพัาานธะตอนเขาสมาัยหนูป เออเรือ้เป็นราอุเบคาเออท่านตาลุ่มพูดเขาถึงว่านีบ้านจะมนีอุเบกขามัดแค่มากเลยจิตจะเป็นการโย่วันี้ดีวันนีลายดีแลวอาวันหลายแเนี่ย ก็ได้เจตวิญญาณลุกหลุดพนอยากตั้งหาดูว่าตั้งหาว่าจะสัตุคุตัวตนเ่าเขาเมื่อเขาสามารถที่เราตั้งหาวอมีตัวตนชัตุคคทตัวตนเ่าเขาวอมีมีแต่ความรู้เสยรู่เสยอันนี้ หุืคนจากค้นหาตัวออกสมาธิเยอะเเมื่อออกสมาธิสำมัจับออกอารมณ์นี้ละเลยเอาเกิดปัญญาเกิดจากสมาธิเกิดรู้ว่าโนมีชัดคุคนตัวตนแล้วเขาเลยอนี่ยค้นหาค้นหากิงๆโมมีนี่เดีขาสมมติว่าคันหาซื้อ ตัวตนเซตุข้อนจริงๆแบ้วี้นี่เดี๋วเขาหลอกเขาสมมติเป็นมาแหวนมาตัวตนสซตุข้อนตัวตนเล่าเขาเยอะเมื่อออกมาจากสมาธิเราจะปัญญาเออปัญญาลดผลจากไหนสิ่งอาสาจิ นี่เลย ม, มาอาสาวคัคคายายากสิ้นไปแห ง, งอาสาจิค้นหาแล้วแต่มันจิเกิดสิตใจแล้วบันออกมาตายหลกขค้นหาก็เกิดดับหูไห้ินเสียงค้นหาก็เกิดดับเข้า็นแล้วทู่นสมาธิ มันเกิดมันดับมันอย่างั้นลอยเที่ยวเที่ยวอริยะนต่หนา่ยน่อก็ให้กะทบกันลอยเที่ยวเพ่งเที่ยวกหัเกิดดับโยมทัศนนั่นแหละเพาะเกิดมาทุกอริยสจริงมันเกิดมันดับมันสยนั้นเทวว่ัดจะื่อข้อมจริงมันเกิดแล้วก็บรรดดับมันอย่างนี้ขมจรเพแล้วแกมันเกิดทีดับ เพราว่ารูแล้วในสมาีิเห็นในสมาแล้วว่าเรมีแทบบุคคลกลุกๆอยู่นี่มันจิเกิดมือได้หรเทีเท่ยางเทียบเ่าจัมงมันเรมควรได้ไปบุกกระท เ, เ, เอาบุกยืดเอาขันหามกัเป็นรันโดร้ว น, วนมันไม่จองอ่ะ มันเกิดจะดับจะสร้างหัวมันลูกเทเอาท่านท่นอ่าเกิดตาเห็นลูกเกิก็เป็นผู้ลูกเห็นว่ซื้อวันนี n ดีวีลายว่าลูกนั่นลูกนีโอ้ยนี่เสียิตกับลูกว่าเสนั่นนี้จิตว่าน้ดีวี้ลายเอาจิตตามเลยเอาผูโตาม เอาผู้รู้จำไว้ผู้นในสมารถอ่านีเก็เรียกว่าปัญญาหเห็นสัแ ต, ววตว่ว่ า, วววาเห็นอะไบาสัตว่าเห็นพ่กีสักพุ่มตัวตนไมผู้เห็นได้ยิงกับสัตวลยยิงพ่กีสักพุ่มตัวตวนนี่นี่ ว่าไม่เล่าเลยนิ่งจึงลูกเชยอยู่เท่นี่ลูกเชยอยู่วอาิ่งดีว่ น, ว น, วนิ่าลานอ่มาอะ้ฝึกสติเจ็บความต่ให้ลูกมู้อไรนิ่งเสียงมาข้าว้นามาฝึกเจ็ความมาอบร่มเบความ เราเห็นดุเราเห็นเราเห็นติเห็นปมาิเรื่องีตัวสัตว์กคนืงีเราใเขาใ่ีตาเห็นดนนเราเห็นเรา่ี สัตพัตัวตนมันีอยู่ในค้นหาว่าแล้วแ้าดู่ในหน้าที่เปนน้านาที่นี่นคิดจะเป็นคิดด่วนด่วนค้นก็เป็นค้นด่วยด่วนนันเกิดแล้วกรดับเป็นยังไงเห็นตร่างยาดในค้นหาไตร่างยากใน เห็นขันหันเกิดถึงต่ n อยู่ดับไปมันเกิดแล้วมันด okay, ับนี ah! ่สัจจะคือข้อจริงข้อจริงเกจริงเห็นท่านเห็นข้อจริงเห็นสัจจะทั้เห็นเกิดแล้วก็ดับนี่เรียกว่าสัจจะ คือผลอันนี้คือกระต om ดักใจหุ่นหลุดกรบต om ดักงูหุ่นเส้กระต om ดักจำโหเกย์จิ้งกระลูกไว้จิ้นึ่งจิ้นึ่กรดักเพราะว่าอมีช้ครบคนหางเกย์แล้วสามพตนพัดเกย์หางจิ้ไปนดีนี่หลาย่แลวตน ฉันยังเอจอันใดไม่กำหนดถัดเครื่องในโลกในอารมณ์ในชันหานจะหลบจกอารมณ์อันเดียวกันเั่นเพระนั่นเชื่อันหาต้องหลกไปเดียวกันอารมณ์หับรูกวรู้กว่าลมต่ถ้าลมหน ไม่กำนัตัดเครื่องเนี่ยไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่กนนนมำนักำนป น, นดีัดเครื่องไม้าเขามัิมปฏิปท า, าเห็นเกิดเนบเห็นอนิจจเห็นมันบมเียง มันเกิดแล้วก <Yep. S 2> ็ตายเกิดแล้วก็ดับไปทุกครั้งเพราะมันเกิดมันดับมันทุกข์ทั้งนั้นธรรมอนัตตาแต่พราะมันเกิดมันดับนี่แหละบอกว่าได้ว่าจะเกิดจะดับมันเกิดมันดับเป็นสัจจะนี่ล่ะอริยสัจจริสุขคืออริยสัจจริ เห็นทุก์ในอริยสัตว์เห <reviewers> ็นทุก์เห็นภันหาเกิดตายล่วงเสียเรียกว่าทุก์เกิดเล่าต้องตายเกิดเล่าตรงดับเรียกว่าสัจจะเรียกว่าธรรมดวงตาเห็นธรรม เห็นเตื à, à à à. Cử, cử, cử, Không, ่นเห็นตายเห็นห็นดับอันนั้นอยก่ในนั้นพันนาที่ได้เกิดที่หนึ่งตรงดับแต่ันหาเกิดันตงดับ่ไห้เกิดที่ไดดับี่ห่เที่ยงหรือ่เที่ยงเอาสวดไปบาะ่ไ เกิดสิ่งใดดับสิ่งนั้นจงเป็นทุกข์ว่เที่ยงสิ่งใดว่าเที่ยงสิ่งนั้นจงเป็นทุกข์เป็นย่างว่าให้มันเกิดสร้ c งว่าให้มันเกิดมัดับก็ได้นัสัจจะ้องจริงบอกว่ให้เกิดว่าให้ดับ่ให้เกิดวให้ตายไมันเกิดเองตายเอง้มันอ่าเดียวสัจธรรมเรียกว่าอนัตตา เพราะว่าลมั้นเล่าลมันพ้องเล่าทันหาบอกว่ายาดาบว่ังเกิดเราจะตายยุติีเ่เบิ้ไปบิาาา้าเห็เกิดเพื่อนน้แม่ทั้งหาว่ามันโกเทียบพ่มีเอามาเป็นสัลแที่ถือได้ของโกเทียบ เพิ่มเนี่ทจะดีกว่าเมื่อเท่นไงมันเนี่ยมันหนีเรื่องที่ดักผูกเข่มันเกิดมันจายเนี่ยมันเสียผูกอลมันเน่เกิดมันจายนโกมันกมันสอดมันพาดอะไรก็ได้มันเกิดมันจ่ายเรงที่ต่อมไปวิจัยวัตถุเรื่องวิจัยธรรมธรรมะวิย สติวิจัยทั้งวิจัยทั้งัมาวิจัยยาวิจัยทั้งวิจัยนทั้วิจายเมื่อปลุกทั้งน้ำทั้งพื้นฐานมันเกิดมดวิจยเื่อกไม่ไ้เขาวมันเกิดไมด้วิจัยทั้งเปิดวิริยะ ข้อมเพียนขึ้นเกิดิติขึ้นปัจสถานมสงบหลายๆคาั้นหลายๆเท้เกิดสมาธิขึ้นมากาอดสมาธิกีจะเห็นแต่ข้อมดูก็ข้อมบาอุเบกขาอยู่สมาธิ ทุเปกกระปวดชําค่าพระพุทธองค์ก็มใจว่ามสิ่งมันน่น้วยใจบท่ำท่ำทั้งหลายอยูอก่าขันหักัหาลุกัดหน้าขันลเอียดก็ขล่หลก็หลุดละเอียใจบนล่มอะไรมีใจ อันหามันเกิดมันดับได้เห็นดุหูได้เห็นเสียงคนเราวิจัยบางทีวิจัยเท่าเห็นเราเห็นบ่ออยู่นเห็นดุหูดเสียงเป็นงดเบ่อูกสนี่ยมองดเป็นห้งตาเป็นห้องูก็เป็นเป็น่ีคนคนกเป็นองแกกั่ยิมไปมกันนี่ เป็นห้องก็้เป็นาเามาเยที่หลังโซถึงที่หลังว่าเล่าวางห้ะๆเาจริงๆว่าีเทานีโดยสมมติก็เขาจบมลมจิตกับฟองสีดใจจมันเป็นงเกิดไม่รับท่นโอ้มันทนาทีรามันโยเออ ดับโยเสียขันหาตายฉันดูขันหาเกิดครบหนึ่งดับลงไปโอ้ยนี่เสียงขันหเกิดอีกครบหน่งนี่นะขันหาเกิดครบแล้วครบเหล่ามันนึ่งมันเล่นครบแล้วครบเล่าครบเก่าครบใหม่ยอันนี้อันนั้นครบนับครบเลย หาผู้ดใดลูกวัดเขาเอาว่ดท่านลงมาค้นหาเป็นเล่าเป็นคลองของเล่าลงมาค้นหาเป็นตนตนเป็นค้นหาค้นห า, น, น, น, านี่จะไม่ตนตนนี่จะไม่ค้นหานี่เพื่อเกิดมิจฉาทิฏฐิเดียว่า ทิดๆคมเห็นสียางเห็นว่าขันหาเป็นตนตนเป็นขันหาขันหาไม่อยู่ในตนตนไม่อยู่ในขันหายางละสีละสีนี่เ่นเดิมิดๆิดๆยีิบห้าสี่ 20, เห็นสียางคุณ ขุ่นเราจะข่นมาขุ่นุ่นันหาขันนี่หาขันลูกเวทนาสัญญาสังฐานยิ่ยามเอาทิชชี่ียามไปขุ่นีหาเี้ซีความสุขุ่นเดนอขุ่นเราทิชชี่ีงี้ซางยามเหลืกเกินทิชชีวิปรลาิ ริบปร ะ, ะลิศริบประดาธาดด้วนแก่ข้อมเป็นจริงเพิ่งยังเหมี่ยมขันหาวเบิง้งมานลูกไก่หัวเหยอ่เบิ้งไก่ประกอบด้วยธาดซีเพื่อดินหนามร่มไฟมาถามมันเอาดินมาถามดินเป็นเล่าดินเป็นตน ตนเป็นดินหรือดินม่อย่นตนไม่ย่อยไมดินหรือดินเป็นเล้าน่ยล้าเป็นดินแต่โมนะแม่ดินเป็นเล้าบเล้ามอยดินบหล้า่ดินนี่ละบไั่นดิน ดินนีอยู่ในเลาดอมี่เล่ากับวมี่ดินับวมีเขาคนคนมาเล่าดินๆให้เขาใจว่างแล้วเอาน้ถานานเป็นเลาน้เป็นเลาปหากตหน้ามเ้เป็นเลามงลาเป็นน้ป่ม นามีอยู่ในเล่าติดกับว้มนี้เล่ามีในนามกเบนี่ยล่ากัวมีเล่าก็เขาสมมติจากขวัญสมมไกายมื้อเอ่ยวาเล่าด้วซม่เอื่อเอ่ว่าตัวว่าเล่าว่าเขาเลยเมนีเล่าจริงๆวุ้มนีเล่าเจ้ามนีอยู่ในนามนามวุ้มีในเล่านามหอกจริงๆล้วมีนี่เด็ถายเขาสมมติ คุมาเรียกกันว่าธาหนาคอเขาคงจะว่าเป็นหนาเป็นธาตนี่แก่ร่มไสก็เหมือนกันแก่อบนเถิดจึงจะเห็นว่าตายสักแต่ว่าไก่ไก่สักวแต่เขาเอ่นว่าไก่ซือเขาจั่งสุกมัว่าไก่ต่างชื่อสมมติว่าไก่ซือว่มี สัตว่ามีคนไดหันว่มีตัวว่ามีตนอยู่ในหันว่ามีเล่าว่ามีเขาอยู่ในหันเล่าเขาก็มาสมมติเอื่นก่อนสะกลนกายใสื้อแวดบุคคลก็มาสมมติเอื่นก่อนสะกวนกายเอื่นเรียกเื้อในก่อนสะกวนกายเล่าตรงมีโดยสมมติ เขาขอมี่โดยสมมติตัวตนนั้นโดยสมมติตัวตนมามี่จนว่ากกยจนสัตว์แต่ว่าเขาตั้งเสื้อสมมติว่าไก่เบ่แมนสัตว์ผู้คลตัวตนเล่าเขาขอมี่สัตว์ผู้คนตัวตนเลาเขารุ่นี่แหละเพื่อมาสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาแปลว่าถูกต้อง ทิศทิแปลว่าความเห็นแต่กวนห้องมิจฉาทิิเห็นทิศหรือเพื่อนเอวิซาความรู้ไม่จริงต่อมาอจะเกิดปัญญาทีความรู้จริงขึ้นมากเพื่อนเอลวิสสามาทิความเห็นชอบความเห็นถูกต้อง ที่นี่มื่อลูกก็ใสลว่ า, วามีตัวตนแซดบุกค้กคนอ ย, นยนู่นนี่ตาหูจมูกดิ้นตายใจสงข้อะร่วมกันขึ้นเอิบบรรลุภายในลูกภายในตัณกายนี่ว่มี่แซดบุกพ้นตัวตนอย่ในนี่ตาหูามี่แซดบุคพ้น ตัวตนอยู่ในท่งมุมวันเนี่ ย, นยเนี่ยปัญญาไม่ เ, เกิดเกิดเมื่มาดับมาขาขขาดกโมคองก้อลองมองนี่ตาเห็นลูกไปอ่าตากับลูกกระทบกันยิ่งย่านลูกขึ้นจิตก็มีหน้าที่ลู่เห็นซื่อๆเรียกจิต ลูกยุ่ยเสยเสยเป็นผู้ลูกยุ่เสเ่มีตัวตนซัดบุคคลไหมตาตัมีสัดบุคคลตัวตนไหมลูกเทม่าเห็นลูกผู้เล่นลูกมองว่มีสัดบุคคลตัวตนไหมลูกผู้อ่นมอง่มีเจ้าของมว่ามีสัดบุคคลตัวตนด้วยกันตาก็เป็นอนาจั ลูกจะเห็นห น, นัน่นกับาของตารามจของเห็นกบ่มนเราเห็นพอเนสกวนี่นนย น, น, น, นันัวยในก่ของยในลูเนี่ยลูเนอ่ามันเห็นกัแต่วา่าเห็นเฉๆ่มนเาเห็น เพราะว่าสัตว์พวกนนตัวตนโลเขาวงมีในหันจึงจะดับความโลกจึงจะดับความยิ่ดีถ้ายิ่งดีเกิดเป็นเวทายิงเกิดเวทนาสุขเวททานนาเกิดนั่นจะเกิดยิ่ดียึดถ้าล่มหรือยิ่งดี เกิสุขเขาหนาเท่า้งวานเล่าเห็นหลุ่เล่าหี้เห็นกายนี่เล่าน่ตานี่เล่าน่พ้าว่าไม่เล่าไม่เห็นขาน่เห็นกนสัแ่เห็น่มนเล่าเห็นอ่าจว่เกิดพอนีดีเกิดสุขเขาหน้าอีดี นี่หล่ผูทุกขเวทนาทุกขเวทนาเกิดก็เกิ ด, เกดลาฆ่ า, านิสักตามน้องทุกขเวทนาเกิดก็เกิดเกิ ด, กอดอปฏิฆาไม่ส่ยรรม น, อ น, น้องทาเล่าบ่มีบ่มัน เ, เล่าเห็นบ่มันเล่าเรื่อยนี่ดับอนุสัย สามเด่นหลงว่าเลานี้หาลูกว่าเล่าบวมนี้วเิเคขันหาขันหามันเกิดกัดับความกันยุ่งสิวเนื้ อ, อเตือนหลอกเตือนสงสารเตือนขันหามันเกิดกระไดยุ่งสิเป็นสัจจะเพ่อข้อมทีมนี้สิเอากระดับันหาเด ไม่ยินดีไม่ยินลายกระดับตามมาภ า, าวะสวัสดิตามมาสาวะได้ยินลายก็ะทำให้กระทุกธรรมเกิดภ า, าวะสวัสดิขึ้นหาอุเบกขาว่ากินดีว่ยินลายอุเบกขา เรื่อ่น้นทำให้เกิดอภิชาติใส่ตามน่หลง่าเรามี่โยหหันขึา้าถ้าหลูกมาเราก็มีมันกนรบดับควมโลด ล, ล่าข้านุใส่ลง ิฆาณิใส่ลงหนเลยนี่นนัายไกดับเวทนาลยเวทาตสุขขังวานุขังวาอะตุขมสุขขาวามันสามอย่างสุขเวทนาทุขเวทนาอะตุขมาสุขเวทนา รู้เบียข้าวไว้ท่านน่ะกรว่าทำให้เกิดอะไรลาคัชชินาไฟลาคะเกความลับไข่นึ่งี่้อใหญ่เกิดกาเป็นว่าลาคัชชินาไฟสามโผ่โสักชินา เกิดความมั่ดีเพวาะเใจเกิดขึ้นน่เกิดโกรธขึ้นมากนี่โทษซักขีหน้าคนหรือปฏิกิาด้วสกยันเดียวกันเพราะอะไรเพราะอวิชชาหลงว่าทังห่างมีสรรูคุณโดดเด่นเลยถ้ารูงว่าทังห่างีมีสรรค ล, ล, ม, คลมันจะเกิดวันนั้นรอยครัง้งพันครั้ง ก็ได้ดู้ก็ไม่ยินดีไม่ยินลายรู้เฉยหูได้ยินเสียงก็ไม่กำเนัดไม่พบเคระไม่ยินดีไม่ยินลายลาค่ามิสั่กจิค่านิใช่ก็ดับเพราะว่าไม่ใช่เราได้ยินเนี่ยถ้าหลงว่าเราได้ยินก็เกิด ลาคัไม่ใส่ปฏิภาณนม่ใส่เหรอนี่ดีนี่หลานถิ่มาถ้าเล่าวงนี้วานันเล่าได้ยินแล้วแกมันจะได้ยินเหมือนเทียแสนเทียกระซังแล้วหูว่ว่ามันเทาไรยิ่งเทาวงนี่แน่ห่าหูมันทำนาทีได้ยินกินซี่นี่พ้นเป็นเน่ในการได้ยินมันทำนาทีค้นหาเกิดดับได้ไห เขากระดับขันหาเลยไม่อุปทานขันหาไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่สามกองกระดับลาคัตชินาโทสัตชินาโมหัตชินาโมหะพอความหลงความหลงไวจริงหลงว่าขันหาหนี้ตัวตนชัดพวกค้นหลงว่าไก่หนี้ตัวตนชัดพวกข้อนเอยโมหะขึ้นอนโมไว้จริงคืออวิชาทขันรู้จริงอภิ นิชเกิดเป็นหลวงนิช่าบุคคลนมันกดับาดดนดับควาลบควาดดกเขา้พนไหม่ได้านขันหาเกิดดับเป็นมัจะสังสารมมุ่พันธุ์นึ่เกิดขันหนึงดับขันหนดเป็นมัะสังสาร เมือ่อดัรบรัด ก, ก่องศาลเลยก็เห็นพระนิพพานดับรบดักศาสตรเก็เห็นพระนิพพานดับพ้อโลกพ้องกฎพ้องหลงเลยกล็เห็นพระนิพพานที่ไปถามหานน้าไถ่พระนิพพานนะถามหานน้ำไถ่พรนิพมันคนนี้นนทน่นยั ง, ไ, ง, มง ไ, ไม่ใจมั่นดับอวิชาเดย ชาเขาอะไรเขาความูไม่ามหลหลมาไม่เสมุขตัวตนย่นี ủ, bon ân, ่ก่องเมื่อตายใหู้จไหลวมาเราเห็นเมื่อิชากิปนผู้ว่าควมีสุข้นตัวตนย่นี่ก่หให้รูตายให้รูก็เีท่านเห็นต่นันทนาที่กเห็นบลยมนเราเห็น อภิชาตก็พอหลงมาเล่านี่เยอภิชาตก็รู้มาเล่ากนี่นี่ขนาดเมันที่กัดกันไหนเมันดูใสล้วมันดูแต่ข้ามเกินมันดใส่อรยจริงพ่อหลงแต่กูองเดียวกันที่เออ เระนีน่ีพอเรียนสามารถที่เราถ้าดูลมบนลมห า, ออ า, ออล า, าย ใ, ใจเข่าออกเขาออกลมจางค่ายหายไปเหี้ยเตะข้อนลดูลุดเฉยอยู่ก็รเรียกว่าเลยสมาี่ไรเจยโยวิมุตยิบุคนจากขางน้นหาถ้าดูไปดูมาเห็นล้มหายใจเข่าออก เขาออกมันบ่นจางข่หใส่เห็นว่ามันเขามันออกจะเห็นร่ให้ใจคือก่หมขึ้รูปให้หจะเห็นกายห้องมันบ่เทียงว่าเทียงพอมันเขา่าล้วจะออกมันเกิดเราต้องกระดาย้อให้ใจเรื่อขั้นห เกิดแล้วกระายรูปกำน้น่่านต้องให้ใจเพืู่ปแ่น้น้คนรูอาศัยในรูลบนี่มาอลู่กำน้นอู่กน้นก็รให้ใจเพิ่นเกิดเราวิ่งวิ่กับย่าวิก็ตัวูตัวรบนี่ตัวกายของเาย่างก็ตัวู โราเจ็บเรูอะไยในโลกมันยากจแลนเขาเรียกว่าเกิดแลนออกมาเรียกว่าตายเห็นเกิดเห็นตายด้เห็นอันนี้อางทุกขรั้งนับกาได้ยึปัสนาถึงนายึปัสนาถเป็นาบ่นเห็นอดีตว่าหัวหน้าตัห้ลูยุปัจจุบัน ปัจจุบันมันท่นอท่านปัจจุบันมันท่นองกว่าขั้นหาไปลูข่ขันยาก็ได้ลูข่ขันละเอียดก็ได้ขัหารมให้ใจนี่คือขันละเอียดมันเขา้ามันออกเป็นปัจจุบันยุงซีเห็นปัจจุบันยุ่สีว่าไเห็นอดีต มองเห็นอนาคตเห็นตาเห้นลูกเห็นลูกว่ามันเกิดเึ็นโลกะดับเห็นปัจจุบันนี้โไระทีเสียนงานในการจีบมันเกิดเป็นโลกะดับเห็นเป็นปัจจุบันสิ่งไม่เกิดสิ่งไม่ดับสิ่งนั้นไป็สุขหรือไป็ทุกข์นั่นเพรานเห็นปัจุบันอนแต่ปัจจุเห็นทุกข์่ จิตใจเป็นทุกข์มันเป็นเปทุกข์มันบวชเที่ยงมันเกิดมันดับเนไ่ยมันเป็นทุกข์เนเรียนทุกข์เป็นม้านเนี่ยังเกิดจนดับมันไม่มีเจ้าของมันเป็นอนัตตาขันหาวเราเล่าเราพร้อมเล่ามันทำงานโยงสัตวเกิดแล้วก็ดับโยงสัตวมันก็่มีเจ้าของ แต่เมียเราฟ้องฟ้องจะบอกได้อย่างเนี่ยอย่างนึงเด็กมันบ่นมีคนเล่ามีคนฟ้องฟงเล่าเด็นอนาคตเขาจังฉีดวยนายแม่ข้อเกิดข้อดับเวยนายในร่มให้หญ่เรา้องมันเกิดมันกายโดยสิเวยายแม่ทนหาว่ามันเกิดมันกายโดย เป็นอนิจจมันบดเทียงว่มีมสะแสาอหยังย่้เกิดก็ตายไปยึดเอาว่าเป็นเล่านขอ ง, ของเาได้บ่เพ่น า, าอาศัยได้บ่หลัานหนวเอาเปิสะดบ่เอะมันบดเทียงเอาของบดเทียงวาเป็นสาระได้บ่ เอาทุกมาเปลียนสล น, น่านนี่แว่ากันเลอาเว่าตื่นกนหเว่เ า, าเลิกกันไหบอกว่นี่ว่าวอาออกจากถจากขันว่าอ้ออกจากขวสกุลใจว่าอออกจากรูปน้าขันหา แต่ว Th ่าข ouais. ึ้นแต่ว่ามัเลิศแตว่าแวแ่เาันา่นตนำันว่าเลว่านำคมเดอนว่าเป่นเ็นหกูหหเลิมันเกิดมันดับอ้า้ีนั่งัเจ่นอย่มันเ บริเวณทีหน้าลงมามันเกยมันดับมันเข่ามันออกมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ว่าพรพิจารณ์แท้แ่เล่ห์หนใจกริงยิ้มมันหนึ่งว่เบ่งเตยหนอยจนเ่าหม้อมอเขือเลอ่หเพราะเห็นอนิจจังทุกครังเพราะเห็นใจธรรมา ก็เลยหลงว่ามีตัวตนชัดบุคพ้นยู่นี้เลเลยอวิชาอิชาขึ้นโมขึ้หลงคือหรู้ว่าจริงเลยว่เกิดคนนู่น่เกิดอวิชาก็ไม่แย่มิแต่เกิดโมเกิดหลเกิดลิชาที่ผิดต้องเหนิดรู้ว่าจริง สัมมาทิฏฐิตัวเกิดจะ่ยงเนี่ยเพราะมิยังนั่นแหมท่งางเห็นนะรับทั้งหาเลยแตขอสู้แค่ในาพจิตอนไดหาธรรนัตคัดเครื่อนเวลาขั้งหาเกิดรับหรอหลกเกิดรับอารมณ์กเกิดรับหาธรมนัตัดเครื่อนไม่หลกไม่อารมณ์ไม่ขั้งหา จิตั น, นั้นเรนียะวาอภิชาหรือโลจียะจิตันนัอันใดกระทำจิตดวงใดกระท า, าโลกเกิดรับอมณเกิดเราก็ดับขันหาเกิดราก็ดับโไปกำห น, น, นดโไปแทรกเตอมเพื่อยิด่ดีกำหนดเื่อิ่ดีแทรกเติมื่อนินได้ เขาลูบว่ามี่ัดลคน ต, ตัวนี้กินเขาไปายิ่งดียิ่งไหลเขาไปกันัดชัดเครื่องให้โลกให้อารมณ์ให้สมดจิตอนั้นจะโลกฝุ่นใดจิตจิตอยู่ในโลกเพื่อเกิดว่าพานิธานพนันดำได้พูดมากก็อสมควรแต่เวลาเอวัาาง ก็มีด้วยปากกาและนลิ